จเจริญทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2545ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10เป็นวันดีที่ว่าเป็นวันดีนั้นไม่ใช่เพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์หรือเป็นวันพระหรือเป็นวันศาสตร์ไทย ที่ว่าดีนี้เป็นเพราะว่ามีการกระทำความดีกันอย่างย่าโยมทั้งหลายวันนี้ได้มาร่วมกันประกอบคุณงามความดีมีการทำบุญทำทานถวายสังฆทานสมาทานรักษาศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถมีการไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรม ซึ่งการกระทำเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตดังนั้นจึงพูดได้ว่าวันนี้เป็นวันดีแต่วันดีวันที่ดีไม่ได้หมายความว่าขึ้นกับวันเวลาแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เสื้อผ้าสีสันที่เราใส่จะใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็ตามจะเป็นสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีแดงก็ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้เป็นวันที่ดีขึ้นมาหรือจะมีชื่อที่ดีเช่นมีชื่อเป็นชื่อในประเสริฐชื่อบุญชื่อในดีเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเหตุของความดี เพราะคนที่ชื่อประเสริฐชื่อบุญชื่อดีไปติดคุมติดตารางก็มีอยู่มากมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อแต่ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจคือความดีนี้มีคาอธิบายไว้สั้นๆว่าคือการกระทาทา การกระทาทางวาจา ก, ก็ดีทางกายก็ดีหรือทางใจก็ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่มีโทษกับตัวเราก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตัวเราก็ดีและกับผู้อื่นก็ดีถือว่าเป็นการกระทำความดีเมื่อทำไปแล้วย่อมมีผลดีตามมาคือมีความสุข และความเจริญดังนั้นขอให้เราจงเข้าใจไว้เสียตั้งแต่วันนี้ว่าความดีนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันทุกเวลาขึ้นอยู่กับตัวเราผู้ที่กระ ท, ทำนั้นเท่านั้นเองว่าเราจะทำความดีหรือไม่ถึงแม้วันนี้เป็นวันดีดเช่นเป็นวันพระเป็นวันศาสตร์ไทย แต่เรากลับไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันไปลักเล็กขโมยน้อยไปยิงนกตกปลาอย่างนี้วันนี้ก็ไม่ได้ดีสำหรับคนที่กระทำการเหล่านั้นเพราะเมื่อกระทำการที่ไม่ดีไปแล้วผลที่ไม่ดีย่อมตามมานั่นก็คือความเสื่อมเสียความทุกข์ความหายนะทั้งหลาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองไม่ว่าจะดีหรือจะเลวจะสุขหรือจะทุกข์จ ะ, จะเจริญง่วงเรืองหรือจะเสือ่อมจะเสียหายะนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นล้วนเป็นการกระทำของเราทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะจําไม่ได้เพราะการกระทำของเรานั้นทำกันมานานข้ามภพข้ามชาติ เราจาไม่ได้ว่าในอดีตชาติเราได้เคยทำอะไรมามากดีหรือชั่วมากน้อยแค่ไหนหรือแม้กระทั่งในชาตินี้วันวันหนึ่งเราทำอะไรไปมากเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่ได้มาจดจำนั่นเองแต่เมื่อเราทำไปแล้วมันย่อมมีผลตามมาช้าหรือเร็วมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากระทำไป บางสิ่งบางอย่างก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วบางสิ่งบางอย่างก็ใช้เวลาบางทีชาตินี้อาจจะไม่มีผลตามมาก็ได้แต่อาจจะตามต่อไปในภพหน้าชาติหน้าต่อไปดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในเรื่องการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจของเราขอให้รู้ว่ามีผลตามมาอย่างแน่นอน นี่คือสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เกิดความเข้าอกเข้าใจให้เกิดความเชื่อแล้วนําไปปฏิบัติกับตนคือพยายามกระทําแต่สิ่งที่ดีที่งามละเว้นจากการกระทําความชั่วทําบาปทํากรรมทั้งหลาย และชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดคือชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเพราะกิเลสและตัณหาที่มีอยู่ในใจนี้เป็นต้นเหตุที่จะผลักดันให้เราไปกระทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วนำความทุกข์ความเสื่อมเสียมาให้กับเรา แต่ถ้าเราได้ชำระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปหรือให้เบาบางลงไปแล้วการกระทำของเราก็จะเป็นการกระทำที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในใจแล้วการกระทำของเราก็จะเป็นการกระทาแต่สิ่งที่ดีที่งามอย่างเดียวเมื่อเราได้ทำแต่สิ่งที่ดีที่งามอย่างเดียวแล้วความสุขความเจริญ ความเป็นสุริยมงคลก็จะเป็นของเราเราไม่ต้องไปขอจากผู้ใดเพราะสิ่งเหล่า น, นี้นั้นขอกันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันเองอย่างวันนี้ก็ได้มีการสมาทานขอศีลกันแต่คำว่าสมาทานขอสีนนี้ไม่ได้หมายถึงว่ามาขอศีลของพระไปเหมือนกับมาขอเงินขอทองไปใช้แต่ที่พระให้ศีล น, นั้น เป็นการบอกให้รู้ว่าศีลมีอะไรบ้างเพราะบางคนอาจจะยังไม่เคยเข้าวัดยังไม่เคยได้ยินก็อาจจะไม่รู้ว่าศีลห้าศีลแปศีลอุโบโสถนั้นมีอะไรบ้างจะต้องระเวนการกระทาอะไรบ้างจึงเป็นหน้าที่ของพระที่จะต้องเป็นผู้ให้ศีลคือสอนบอกให้รู้ว่าศีลมีอะไรบ้าง แต่หน้าที่ของผู้ที่สมาทานนั้นจะต้องเป็นผู้ที่จดจำว่าศีลมีข้อไหนมีอะไรบ้างแล้วนำเอาไปปฏิบัติกับกายและวาจาของตนถ้านำไปปฏิบัติแล้วความสุขความเจริญที่เกิดจากการรักษาศีนย่อมตามมาอย่างแน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะสามารถ ชกชิงขโมยจากตัวเราไปได้เมื่อเรามีศินแล้วอนิสง์ของศินจะเป็นของเราในลําดับต่อไปดังนั้นเราขอให้ทําความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนากันคือความสุขความเจริญและความปราศจากความทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายนั้นอยู่ในกำ ม, มือของเราแล้วอยู่ในตัวของเราอยู่ในการกระทําของเราเราจึงต้องพยายาม กระทาให้ได้กระทาความดีละความชื่วชำระจิตของเราให้สะอาดหมดจดการกระทําความดีนั้นก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันในเบื้องต้นก็คือความมีการความมีความกตัญญูกตเวทีคือเป็นผู้มีเป็นผู้รู้คนพัคุณของผู้อื่นและตอบแทนคุณของผู้อื่น เช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราเราต้องสำนึกอยู่ในใจของเราเสมอว่าเป็นบุคคลที่เราจะต้องเชิดชูยกย่องให้ความเคารพให้ความเชื่อฟังและถ้ามีความสามารถที่จะเลี้ยงดูอุปถัมภ์ท่านได้ก็ควรจะกระทำตามสมควรแก่ฐานะของเรา ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเราเริ่มเป็นคนดีแล้ว mm hmm. เรามีความดีอยู่ในตัวของเราแล้ว mm hmm. นอกจากความกตัญญูกตวเวทีแล้ว mm hmm. ก็ยังมียังอื่นอีกเ mm hmm. ช่นมีสัมมาคารวะมีความเข้าในผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักที่สูงที่ต่า mm hmm. มีความซื่อสัตย์สุจริต mm hmm. เป็นคนที่ mm hmm. ไม่ใช่เป็นคนที่ โกหกหลอกลวงเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีสัจนะแต่เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตอย่างที่เมื่อกี้ท่านนักอายได้สมาทานศีลไปศีลหก็คือการดำรงตนให้อยู่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคือไม่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการกระทํำทางกายและทางวาจาละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติประเวณีละเว้นจากการ <c oughs> พูดปดมดเท็จและละเว้นจากการเสพสุรายาเมาซึ่งการกระทำเหล่านี้ถ้าทำไปแล้วจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียจะนำโทษมาทั้งกับผู้ที่กระทำและผู้ที่ถูกกระทำจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง สึ่งเหล่านี้นั้นเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาตลอดเรารู้ว่าอะไรดีเรารู้ว่าอะไรชั่วอะไรไม่ดีแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะทำตามที่เราควรจะกระทำได้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเรานั้นยังไม่มีกำลังพอที่จะต่อต้านกระแสของความชั่วของบาป ก, กรรม ยังไม่มีกำลังพอที่จะกระทำความดีให้ถึงพร้อมเปรียบเหมือนกับร่างกายของคนเราที่อ่อนแอไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ฝึกฝนให้มีความมีความแข็งแรงมีความบึกบึญเวลาจะทำงานทำการที่หนักจะไม่สามารถทำได้ถ้าจะทำก็ต้องมีการ ฝึกฝนอบรมพัฒนากําลังกายให้เกิดขึ้นก่อนโดวยวิธีการต่างๆเช่นมีการวิ่งออกกําลังกายยกน้ําหนักอย่างนี้เป็นต้นถ้าได้ฝึกฝนทําให้มีกําลังกายขึ้นมาแล้วต่อไปจะไปทํางานหนักก็จะสามารถทําได้ใจก็เปียกเหมือนกับกายที่เรายังไม่สามารถ <c oughs> ที่จะทําในสิ่งที่เราควรจะกระทํากันได้ กเพราะใจของเรานั้นอ่อนแอไม่มีกําลังนั่นเองและเราจึงต้องมาฝึกฝนจิตใจของเราให้มีกําลังเกิดขึ้นมาให้ได้และวิธีที่ฝึกฝนจิตนี้เราเรียกว่าการภาวนาเรียกว่าจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาใจให้มีกําลังที่จะต่อสู้กับกระแสของบาปของกรรม ที่จะมีกำลังที่จะทําแต่สิ่งที่ดีที่งามมีกําลังที่จะไปชำระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราดังนั้นการฝึกจิตจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งการได้ยินได้ฟังทมก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อได้ยินได้ฟังทมแล้วเราจะรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างแต่เมื่อเรารู้แล้ว แต่เราไม่นำไปปฏิบัติหรือไม่มีกำลังพอที่จะปฏิบัติได้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็จะไม่สามารถบรรลุ ป, ประโยชน์ให้กับเราได้เราจึงต้องฝึกจิตให้ได้เราต้องหาเวลาให้กับจิตใจของเราวันหนึ่งหนึ่งเรามีเวลามากแต่เราปล่อยเวลาของเราไปในใบกระทมในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ ไม่เกิดคุณกับจิตใจของเรานอกจากไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์แล้วยังกลับเป็นเกิดโทษให้กับจิตใจของเราเพราะสิ่งที่เรากระทานั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นการสะสมสร้างกิเลสตัณหาที่ที่มีอยู่ในใจมากแล้วให้มีมากขึ้นไปเสีย อ, อีกแทนที่จะขัดเกลาแทนที่จะลดละกิเลสตัณหาให้เบาบางลงไป เรากับเพิ่มพูนกิเลสตัณหาให้มากขึ้นไปเวลาที่มีคุณมีค่าของเราก็เลยหมดไปโดยเปล่าประโยชน์แต่เราก็ไม่รู้กันเพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมเราไม่เคยศึกษาหรือปฏิบัติเราจึงไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราแทนที่เราจะพยายามลดละกิเลสตัณหาเรากลับไป สร้างกิเลสตัณหาเพิ่มพูนกิเลสตัณหาให้มีมากขึ้นไปวิธีที่เราเพิ่มที่เราเพิ่มที่เราสร้างกิเลสตัณหานั้นทำอย่างไรก็คือเวลาเรามีความโลภแล้วเราก็กระทำตามความโลภเวลาเรามีความโกรธเราก็ทำตามความโกรธเวลาเรามีความอยากเราก็ทำตามความอยากโดยที่เราไม่ใช่สติปัญญาเข้ามาเป็นตัวตัดสินว่า สิ่งที่เราโลภสิ่งที่เราโกรธหรือสิ่งที่เราอยากนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของเราหรือไม่ถ้าเราไม่โลภเราจะอยู่ได้หรือไม่ถ้าเราไม่โกรธเราจะอยู่ได้หรือไม่ถ้าเราไม่อยากกับสิ่งต่างๆเราจะอยู่ได้หรือไม่สิ่งเหล่านี้เราไม่เคยคิดเราเราไม่เคยถามตัวเราเอง เวลาเกิดความโลภก็วิ่งไปทันทีตามความสั่งของความโลภเวลาเกิดความโกรธก็วิ่งไปทันทีตามคำสั่งของความโกรธชีวิตของเราจึงมีแต่ความวุ่นวายจึงมีแต่ความทุกข์อยู่ไม่รู้จักจบสิ้นเพราะแทนที่เราจะเข้าไปชำระไปลดไปละกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายของความทุกข์ใจของเรา ให้น้อยลงไปให้หมดไปเรากลับไปสร้างมันขึ้นมาด้วยความไม่รู้ที่เราเรียกว่าอาวิชชาความไม่รู้หรือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบกับเห็นเห็นว่าความโลภความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะรักษาดูแลเวลาโลภ ก, ก็ต้องโลกตามเวลาโกรธก็ต้องโกรธตามชีวิตของเราจึงไม่ค่อยได้รับความสุข ที่เราทุกคนปรารถนากันถึงแม้ว่าเราจะสามารถสะสมสมบัติข้าวของต่างๆได้มากมายมีเงินทองเป็นน้อยล้านพันล้านก็ตามมีบริษัทบริวารมีสิ่งต่างๆอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเราแต่ใจของเรากลับมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นวัวอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไป เสริมไปสร้างเหตุที่ทำให้จิตว้าวุ่นขุนบัวให้มีมากขึ้นในใจของเรานั่นเองก็คือการสะสมความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะมีความสุขที่แท้จริงคือความสุขใจเราต้องทำความเข้าใจเสียตั้งแต่บัดนี้ว่าความสุขของใจของเรานั้นจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเราชำระใจของเราลดละกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราด้วยการกระทำความดีด้วยการละการกระทำบาปทาความชั่วทั้งหลายและการที่เราจะกระทำสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องมีกำลังใจเราต้องฝึกฝนจิตใจของเราให้มีพลังให้มีกำลังขึ้นมาด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนา คือการทำสมาธิและเจริญวิปัสสนาการทำสมาธิก็คือการทำจิตให้สงบให้นิ่งเป็นการหยุดใจถ้าเราหยุดใจได้ต่อไปเราก็จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้เพราะความโลภความโกรธความหลงและความอยากอาศัยใจเป็นเครื่องมือเหมือนเหมือนกับเราอาศัยรถยนต์เป็นเป็นเครื่องมือเป็นพาหนะ พาเราไปตามสถานที่ต่างๆถ้าเราปิดถ้าเราปิดกุญแจดับเครื่องรถไม่วิ่งต่อให้เรานั่งอยู่ในรถเป็นเวลากี่เดือนกี่วันกี่ปีเราก็จะไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เพราะรถยนต์ไม่ขับเคลื่อนไปไหนนั่นเองฉันใดกิเลสตัณหาก็จะไม่สามารถทํางานได้ถ้าเราหยุดใจของเราหยุดจิตของเราได้ และวิธีที่จะทําให้จิตหยุดได้ก็คือการฝึกทําสมาธินั่นเองวิธีการทําสมาธิก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันแต่โดยหลักแล้วก็คือการทำใจให้รู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งภายในใจและพยายามให้อยู่กับอารมณ์นั้นไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้าเผลอไปคิด ถึงอารมณ์อื่นก็ให้ดึงกลับมาสู่อารมณ์นั้นดังนั้นการปฏิบัติสมาธิจึงมีวิธีหลากหลายด้วยกันในเบื้องต้นวิธีที่ง่ายที่สุดและจะได้ประโยชน์ที่สุดก็คือการไหว้พระสวดมนต์คือการสวดมนต์นั่นเองคือให้เราจําบทสวดมนต์บทบ่นได้บทหนึ่งที่เราจําได้เราก็ท่องอยู่กับบทสวดมนต์นั้น อาจไม่จำเป็นจะต้องเป็นบทที่ยาวมากบทสั้นๆก็ได้ขอให้เราสวดซ้ำไปซ้ำมากลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆอย่างบทที่เราเคยสวดกันเป็นประจำก็คือบทอรหังสัมมารหรือบทอิติปิโสนี้เราก็จะสามารถใช้บทสวดมวนต์นี้เป็นเครื่องกากับใจหรือเป็นเครื่องผูกใจให้ใจมี มีความรู้อยู่กับบทสวดมนต์นั้นไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ดีเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นมาในอนาคตก็ดีตอนนี้เราปล่อยวางทั้งหมดเสียให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับงานที่เรากำกับที่เรากำหนดให้ใจทำคือให้อยู่กับบทสวดมนต์ ขอให้สวดไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องไปเร็งถึงผลว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะผลนี้จะต้องเกิดขึ้นจากการกระทําถ้าเราทาไปแล้วเราคิดไปว่าเมื่อไหร่จะเกิดผลผลมันก็จะไม่เกิดเพราะเราทำไม่ถูกวิธีวิธีที่ถูกนั้นเราจะต้องมีสติคือการระลึกรู้ให้อยู่กับบทสวดมนต์ที่เราสวดอย่างเดียวให้รู้ทุกคาเลย เช่นให้รู้คําว่าอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพุทธังพระกวนตังอภิวาเทมิก็ให้รู้อยู่กับบทส่วนนั้นอย่างเดียวอย่าไปรู้อยู่กับอะไรทั้งสิ้นเวลามีอะไรมากระทบกับใจทางผ่านทางอายตนะทั้งหลายเช่นเสียงก็ดีหรือสัมผัสอะไรต่างๆเช่อนอาจจะมีมแมลงมีมดมีความรู้สึกคัน ตรงนั้นคันตรงนี้ตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือมีความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนั้นบ้างก็อย่าไปสนใจขอให้เราเพ่งอยู่กับจดจ่ออยู่กับ ก, บการสวดมนต์ถ้าเราจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์นั้นได้ต่อไปสิ่งที่มากระทบกับใจของเราผ่านทางอายตนะต่างๆก็จะหายไปเองเราจะไม่มารบกวน ทำให้เราเสียสมาธิแต่ถ้าเรามัวไปคอยกังวลกับความรู้สึกที่มาสัมผัสจากภายนอกก็ดีหรือจากภายในก็ดีก็แสดงว่าเรากำลังไม่ได้ทำงานคือเราไม่ได้ผูกใจไว้ให้อยู่กับอารมณ์ที่เราได้กาหนดไว้ในเบื้องต้นแล้วถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นแล้วต่อให้เรานั่งสวดไปนานสักเท่าไหร่เราก็จะไม่ได้รับผลจากการสวด คือจิตจะไม่รวมลงเป็นหนึ่งจิตจะไม่รวมลงเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่แต่ถ้าเราฝืนสิ่งต่างๆที่มากระทบใจของเราอย่าไปสนใจขอให้เกาะอยู่กับบทสวดหมดแล้วไม่ช้าก็เร็วใจก็จะค่อยๆสงบตัวลงสงบตัวลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่ไม่อยากจะสวดก็จะหยุดสวดไปโดยปริยายแล้วจิตก็จะนิ่งอยู่ ในขณะที่จิตนิ่งนั้นจะมีความรู้สึกที่สดชื่นเบิก mm hmm. บานเป็นความรู้สึกที่สุขที่มีความปิติมีความอิ่มเอิบเป็นความสุขที่เราจะไม่เคยพบมาก่อนจากสิ่งต่างๆที่เราได้กระทำมาในอดีตเลยเพราะความสุขแบบนี้นั้นเป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งหลายในโลกเมื่อเราสามารถปฏิบัติจนถึงจุดนี้ได้แล้ว เราจะเริ่มได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติสมาธิอยู่สองลักษณะคือหนึ่งแล้วจิตใจของเราจะมีกำลังที่จะสามารถต่อสู้หรือชำระกิเลสตัณหาได้เพราะเราเวลาเกิดความโกรธเราก็หยุดได้เวลาเกิดความโลภเราก็หยุดได้เวลาเกิดความอยากเราก็หยุดได้เพราะใจมี กำลังที่จะต้านความอยากต่างๆสองเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขที่แท้จริงที่พวกเราทุกคนขวนขวายพยายามหากันตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้นั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ในตัวของเราเองมันอยู่ที่ความสงบนั่นเองถ้าใจของเราสงบนิ่งไม่คิดเรื่องอะไรเลยแล้วเราจะรู้ว่านี่แหละ คือความสุขที่แท้จริงเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าสาระที่แท้จริงหรือความสุขที่แท้จริงของชีวิตนั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆภายนอกแต่อยู่ที่ในใจของเราที่สงบนิ่งนั่นแหละเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วต่อไปวิถีชีวิตของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเป้าหมายของชีวิตของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้เราก็พยายาม ห e, าเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อความสุขให้กับเราแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าความสุขที่เราได้รับจากการใช้เงินใช้ทองนั้นมันสู้กับความสุขที่ได้รับจากการทำจิตใจให้สงบไม่ได้ความสุขที่ได้รับจากการใช้เงินใช้ทองนั้นเป็นความสุขที่ผสมไปด้วยกับความทุกข์เป็นความเป็นความสุขที่มีความร้อนแผดเผาอยู่ เพราะเวลาเราใช้เงินใช้ทองเราก็มีความสุขแต่ถ้าเมื่อเงินทองเราไม่พอใช้เราก็มีความทุกข์เราจะต้องดิน้นรนไปหาเงินหาทองมาเพิ่มเพื่อที่เราจะได้เอาเงินทองนี้มาซื้อความสุขอีก็เลยกลายเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขแต่ความสุขที่เกิดจากการนั่งเฉยๆไม่ต้องทําอะไรนี้เงินทองสักบาทเดียวก็ไม่ต้องเสีย แต่ที่จะต้องใช้มากๆก็คือจะต้องใช้สติต้องใช้ขันติความอดทนเพราะเวลาที่เราจะทำจิตให้เน่งนี้กิเลสตัณหามันจะต่อสู้มันจะต่อต้านมันจะไม่ยอมให้เรานั่งอยู่เฉยๆเน่งอยู่เฉยๆมันจะพยายามหลอกล่อให้เราไปคิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องนี้ไปกังวลกับเรื่องนั้นไปกังวลกับเรื่องนี้ ให้รู้สึกคันตรงนั้นให้รู้จึกสึกเจ็บตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นสร้างความรู้สึกอึดอัดใจถ้าเราปล่อยให้ใจของเราไปเกี่ยวข้องกับความรู้สึกแบบนี้แล้วเราจะทนนั่งอยู่ต่อไปไม่ได้นั่งไปเพียงห้านาทีก็จะรู้สึกอึดอัดเต็มที่จะต้องลุกขึ้นมาไปทำอย่างอื่นแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจกับอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ขอให้เราเกาะอยู่กับบทสวดมนต์อย่างเดียว สวดไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆสวด ไ, ไปอย่างนั้นน่ะแล้วจิตมันจะค่อยๆดิ่งเข้าไปสู่ความสงบด้านในที่สุดมันก็จะสงบนิ่งเองหรือถ้าเราสวดไปจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเหนื่อยอยากจะหยุดสวดล้วก็หยุดสวดแล้วเราก็ดูจิตของเราซิว่าจะอยู่นิ่งเฉยๆไหมถ้ายังไม่อยู่นิ่งก็ลองดูกำหนดดูลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ต่อไปให้รู้อยู่กับลมหายใจใจเข้าหายใจออก หรือเราจะบริกรรมคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องดูลมก็ได้แทนที่จะแทนที่จะสวดบทสวดมนต์ก็เพียงแต่ลดเหลือคำว่าพุโทโธคำเดียวให้มีสติรู้อยู่กับพุโทโธทําอย่างนี้ไปไเรื่อยไม่ช้าก็เร็วก็จะประสบกับผลสำเร็จอย่างแน่นอนถ้าเราไม่เควสก่อนถ้าเราไม่ถูกอารมณ์ต่างๆมาฉุดกระชากลากออกไปจาก การทำงานดีแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วจิตของเราก็จะลวมลงเป็นสมาธิเมื่อลมลงเป็นสมาธิแล้วก็จะมีความสุขและต่อไปหลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้วเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเป้าหมายของชีวิตของเรานั้นอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนนี้เราคิดว่าอยู่ที่การสะสมเงินทองสะสมทรัพย์สมบัติเข้าของบริษัทบริวารมีครอบครัวมีลูกมีเต้า แต่เดืยนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นกองทุกทั้งสิน้นเพราะเมื่อมีสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็ต้องมีปัญหาต้องคอยดูแลรักษาต้องทำนูำ่นทำนองอยู่ไม่รู้จักหยุดจากหย่อนแต่ความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติจิตภาวานาคือทำสมาธินั้นเป็นความสุขที่ยี่มีอยู่กับตัวเราและเราไม่ต้องไปกังวล ว่ามันจะหายจะสูญไปไหนถ้าตราบใดเรารู้จักวิธีที่จะทําให้จิตสงบแล้วต่อไปเราจะสามารถทําให้จิตสงบได้อยู่ทุกเวลานาทีเวลาไหนาที่เราต้องการจะพักจิตเราก็สามารถทําได้ทันทีแทนที่เราจะไปหาความสุขจากการไปดูหนังดูละครเราก็หาหมุมสงบที่ไหนในบ้านเรานั่งหลับตาไหว้พระสวดมนต์ หรือกำหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งจิตของเราก็จะสงบแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วเราจะกลายเป็นคนรวยขึ้นมาทันทีเพราะเงินทองที่เรามีอยู่นั้นจะไม่มีจะมีความรู้สึกว่ามีมากเกินความจำเป็นต่อต่อชีวิตของเรา hmm. เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองนั่นเอง เงินทองที่เราหามาได้มากมายเท่าไหร่ก็ไม่สูญหายไปไหนก็จะใช้ไปกับสิ่งเท่าที่จำเป็นเท่านั้นก็คือการดูแลอัตภาพร่างกายของเราแต่มันจะไม่หมดไปกับความความอยากหรือไม่หมดไปกับกิเลสตัณหาเช่นของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นทั้งหลายคนเราเสื้อผ้าเราบางทีมีไม่กี่ชุดเราก็อยู่ได้แล้วแต่เรากลับต้อง เสียเงินเสียทองกับการซื้อเสื้อผ้าแบบไม่รู้จักจบจากสิน้นบางทีตู้เสื้อผ้าที่เรามีอยู่ในบ้านนั้นยังไม่พอเก็บเสื้อผ้าของเราเลยก็เ พ, เพราะว่าเราถูกอํานาจของกิเลสตัณหาชักจูงเราไปให้ใช้จ่ายเงินทองแบบไม่มีความจําเป็นเลยทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าเรายากจนล้มเรามีเงินไม่พอใช้ ก็เพราะว่าเราใช้เงินไปในในสิ่งที่ไม่จำเป็นนั่นเองแต่เราก็ไม่สามารถที่จะต้านกระแสของกิเลส ข, ของตันหาได้เพราะว่าเราไม่